พากันตั้งใจทำใจให้เป็นสมาธิน้อมใจลงสู่ความสงบให้เป็นหนึ่งในเบื้องต้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปมุง่งต้องการรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ก่อนให้รู้เฉพาะจิตนั้นโดยตรงกับลมหายใจเข้าออก ธรรมดาใจนี้เมื่อมันยังสงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เช่นนี้เนะี่ยมันจะรู้ธรรมของจริงไม่ได้เพราะธรรมของจริงนั้นมันจริงอยู่ในตัวแล้วแต่จิตไม่จริงจิตวอกแวกเพราะฉะนั้นจิตนี้มันจึงไม่ยอมรับความจริง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 อย่างนี้แหละมันถึงจะพ้นทุกไปได้ถ้าร่างกายแปรปวนทุกทนได้ยากใจก็แปรปวนทนทุกได้ยากลำบากไปเหมือนกับร่างกายจิตก็ได้ชื่อว่าหอบเอาทุกไว้ไม่ยอมปรงทุกวางทุก์เช่นนี้มันก็ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็หอบเอาทุกไปด้วย ดังนั้นเนะ่เราจะเห็นได้ชัดในคนที่เกิดมาในโลกนี่แหละอันมันแสดงความเสียใจเศร้าโศกอะไรต่ออะไรอยู่หมืนนั้นเนะ่ะมันล้วนแต่มันหอบเอาความทุกข์ใจมาแต่ชาติก่อนโน้นมันเป็นอิสัยปัฒจัใจติดตามมาอย่างนี้เมื่อมาชาตินี้แล้วก็ยังไม่ฝึกตน ให้ตั้งมั่นให้รู้แจ้งตามเป็นจริงในร่างกายสังขารอันนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะหอบเอาทุก์ติดตามไปในชาติหน้าต่อไปเอกก็ถ่ายทอดกันไปอยู่เนี่ยความทุกข์ของใจเพราะใจไม่รู้แจ้งใจไม่ยอมปรงยอมวางให้พากันพิจารณาดูให้มันรู้ให้มันเข้าใจ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 มันเคลื่อนไหวยังไงมันเป็นยังไงไปกดรู้ตามความเป็นจริงไปอย่างนั้นเมื่อรู้ความจริงของมันอยู่นั้นว่าไม่ใช่ของเราแล้วจิตมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามผู้รู้ทั้งหลายท่านทำใจอย่างนี้ท่านจึงไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ถ้าหากว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่ ก็ไม่ใช่กายว า, าจานี้ไปทำบาปก็เพราะว่ามันเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วจะใช้ไปทำบาปทําไมก็เมื่อใช้มันทำบาปแล้วผู้เสวยผลของบาปนั้นก็คือจิตดวงนี้อย่างนี้นะลองพิจารณาดูให้ดีเมื่อจิตดวงนี้เป็นผู้เสวยทุก อันเกิดจากการกระทาของกายละวาจาอย่างนี้แสดงว่าจิตนั้นไม่ฉล า, าดจิตยังไม่ฉล า, าดไม่ยังไม่รู้ว่าที่ตนเจตนาใช้กายวาจาทาชั่วพูดชั่วอย่างนั้นนะผลมันจะย้อนกลับมาหาตัวเองมันไม่รู้มันไม่เตือนตนอย่างนี้ดังนั้นมันจึงทำไปเรื่อย กรรบาปแล้วมันเวลาผลมันย้อนเข้ามาหาดวงจิตอ้าวจิตนี่ก็เป็นทุกข์ยิ่งกว่ามาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้แหละเราได้บาปกรรมมันนําไปให้เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตรีชานไปก็ไปได้อาศัยร่างอันบาปกรรมตกแต่งก็เป็นรูปร่างอันหน้า เกลียดน่ากลัวรูปร่างอันหยาบคลายไม่เป็นที่สบายใจเลยนั่นบาปตกแต่งมันทำให้ไม่สบายใจอย่างนี้เหมือนอย่างคนทำผิดกฎหมายแล้วก็พ้องรองสารตัดสินติดคุกติดตารางก็ได้ไปอยู่ในที่จำกัดแหละ นอนก็ไม่ได้นอนดีนั่งก็ไม่ได้นั่งดีแล้วเขาใช้ทําการทํางานอยู่นั่นแหละถ้าทําไม่ดีเข้าไปเขาบทุบเอาตีเอาอย่างนี้ตนตนเองไม่มีอิสระอะไรเลยไปฟ้องร้องกับใครก็ไม่ได้เพราะตนเป็นนักโทษไอ้ผู้ทาบาปทํากรรมใส่ตัวเองแล้วบาปกรรมมันก็บังคับ ให้อยู่ในที่จํากาดก็อย่างคนคุกคนตารางนั่นแหละอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าสัตว์ที่ไปตกนรกนะเหมือนกับเข้าสารยัดไถเข้าสารยัดไถน้นเป็นปยังไงอะ่ะเน่ยมันก็นยัดเยียดกันอยู่แหละสัตว์นรกก็เป็นเช่นนั้นถามว่านะเมื่อไปตกนรกแล้วก็ไปยัดเยียดกันอยู่แออัดกันอยู่ในนรกนะั่นแ่ะมันมากต่อมาก เพราะว่าทั่วโลกนี่นะทำบาปทุกวันทุกวันนะต้องคิดเฉลี่ยดูดูฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่ามุสาวาดื่มสุ ร, ราเมลัยอย่างนี้ทุกวันเลยนะจะไม่ทุกวันยังไงเล่าฆ่าสัตว์ขายสำาแลจเนื้อขายคนซื้อไปกินหมนือน พวกที่ลักฆ่าโดยผิดกฎหมายก็มีแล้วฆ่าโดยถูกกฎหมายเช่นชาวประมงหมูเนี้ยแล้วชาวประมงแล้วกับพวกผานล่าเนื้อในป่าหมูเนี้ยมันมีอยู่นั่นเรียก ว, ว่ามนุษย์ทำบาปอยู่ตลอด2ี่บสี่ชั่วโมงก็แล้วกันเลยถ้าคิดถัว่วทั่วโลกนี่แล้วนะ มนที่พวกทาบาปแล้วหมดอายุก็ตายทุกนาทีไปเลยนี่ไม่ใช่ว่าตายชั่วโมงนะตายทุกนาทีทั่วโลกนี่นะถั่วเป็นนาทีเข้าไปแล้วเป็นเวลาเข้าไปแล้วนะแล้วจะมาให้มันไปแออัดอยู่ในนรกยังไงแล้วมันมากต่อมากหลายต่อร้น ใหพ้พากันพิจารณาดูให้เกิดความสังเวชสลดใจถา้าถ้ามันไม่เกิดความสังเวชสลดใจมันไม่เบือ่อไม่นายตอ บ, บาปกรรมเหล่านั้นหรอกมันไม่ละเลืองมันนะแต่บางคนก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้แหละถฮาหาเอาปั้นเลืองเอารอกเพื่อให้คนไม่ทำความชั่วในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละ ไปโลกหน้าแล้วมันไม่มีหรอกอย่างที่ว่าบางคนก็อาจจะพูดไปอย่างนั้นแหละผู้พู ด, พดเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมคําสอนของพระองค์ไม่เคารพในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําเอาคําสั่งสอนของพพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้พุทธ ถ้าศาสนิกชนทั้งหลายพูดเชะนั้นแต่ไม่ไม่เคารพไม่นับถือเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็กมชั่วบุคคลกระทำลงไปแต่ในชาติหนหลังนั่นน่ะมันติดสอยห้อยตามมาให้ผลในชาตินี้ดังที่เราก็เห็นกันอยู่คนเกิดมาในโลกนี้นะ่ะ ไอ้พวกเสวยวิบากรรมโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเบียดเบียนรักษายัางไงก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละไอ้อย่างนี้นะจะว่ายังไงเรา้นี่ยหมอก็ยังช่วยไม่ได้อนุภาพแห่งบาปกรรมมันเป็นอยางนง้นี่ยเราก็เห็นได้ชัดๆดิ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 ปฏิเสธทุกขติแล้วมันก็ย่อมปฏิเสธสุ ข, ขติด้วยกันแหละเพราะถ้ามีอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีอย่างหนึ่งนี่เหมือนอย่างในร่างกายของคนเรานี่แหละเมื่อมีสุขแล้วมันก็มีทุกเป็นคู่ขนานกันมาอยู่อย่างนี้ลองคิดดูแม้ในโลกหน้านั่นก็เหมือนกันเนะี่ยเมื่อ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 ผู้ดใดอยากรู้จักว่าบาปเป็นยังไงพาให้ภาวนาให้เพ่งทวนกระแสจิตเข้ามาภายในดูจิตใจที่มันบาปครอบงําอะมันเศร้ามองมันขุนมัวมันเล่าร้อนอโมโหโทโสอันใดก็ดดุร้ายมากทีเดียวคนใจบาปนั่นแหละอยากรู้จักว่าฤทธิดเดชของบาปมันเป็นอย่างไรอะ่ะ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 คนใจบุญนี่เป็นผู้ละความโลภความโกรธความหลงอันนั้นให้เบาบางไปแล้วเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วฉะนั้นใครจะมายั่วยวนชวนให้สะสมกิเลสอันนั้นคืนมาอีกไม่เอาแล้วนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าคนบุญนี่นะไม่ทะเลาะวิวาสกับใครไม่เบียดเบียนใคร แม้ใครจะมาเบียดเบียนต้นก็ไม่ตอบโต้เอา้าลองสังเกตดูใจของใครของเราดูสิว่าเรามันใจบุญจริงหรือไม่ใจบุญมีไหมนี่หรือว่าใจบาปนั่นทุกคนต้องกรวจ ด, ดูจิตใจตัวเองมันก็รู้ได้แหละถ้าเรากรวดเพ่งพินิจ ด, ดูนะรู้ได้เพราะว่าใจมันก็อยู่ที่กายนี่อาศัยอยู่ในนี่ ถ้าใจเป็นบาปมันก็มัวมองไปมันก็เป็นคนชอบโกรธชอบอิจฉาริ่สยสผู้เอือนชอบเพ่งโทษคนอื่นแต่โทษของตนเท่าภูเขานี่มองไม่เห็นเลยแต่ถ้าโทษคนอื่นเท่าเส้นผมนี่ก็มองเห็นออย่างนี้นะผู้นับถือพระพุทธศาสนา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 ให้กล่าวมุสาวาทให้ดื่มทุราเมลัยไปทั่วละถ้าฝึกนิสัยใจคอให้เป็นคนใจดำอมหิตอย่างว่านั่นนะดังนั้นต้องฝึกใจของตนให้เป็นคนใจประกอบบรด้วยเมตตากรุณารู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นธรมรมดาคนที่มีเมตตากรุณานะ่ะ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 คนที่มีกิเลสหยาบนี่มันไม่ยอมมันมันไม่นับถื อ, อไอ้คำพูดที่อ่อนโยนอ่อนน้อมปลอบโยนต่างๆมห่านั้นกคล้ายกับอายุให้มันดุร้ายขึ้นไปอีกทำเป็นไรอ่ะนั่นแหละดังนั้นทางบ้านเมืองเขาปกครองกันนะเขาจึงตรากฎหมายไว้แล้วแล้วตราโทษไว้พร้อมเลย ผู้ใดทําผิดกฎหมายข้อนั้นมีโทษปรับเท่านั้นเทนน่านี้มีโทษจําคุกเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนเขากล้าวไว้อย่างนั้นถ้าใครทําผิดกฎหมายนั้นเจ้าหน้าที่จับได้ก็พ้องร้องกันไปผู้พากษาก็วินิจฉัยความผิดของผู้นั้นมันมากน้อยเพียงใดก็ตัดสินไปตามนั้นอาศัยสักขีพยานยืนยันอืม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 นี่ในทางศาสนานั้นเพื่อนลงโทษกันโดยทางอ้อมอย่างนี้มันเป็นไปเองมันอันนี้นะเป็นเช่นนั้นผู้ใดที่เป็นเช่นว่านี่แล้วเป็นไม่ยอมละความชั่วเหล่านั้นแล้วจะไปสมาคมกับคนดีไม่ได้วันนี้มันก็ต้องหมุนไปสมาคมกับคนชั่ว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 ไอ้พวกใจดํำอมิเหต์ตมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมนนะอาน่ะดังนั้นผู้นับถือพุทธศาสนาหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมันต้องปรับปรุงจิตใจของตนอย่าให้มันเป็นคนใจดํำอมิเหต์อย่างนั้นจะไปอ้างว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปอ้างอะไรเลยอ้างว่าเกี่ยวกับศาสตร์บอกอย่างโน้นอย่างนี้ อ้างว่ามันมีคนมายั่วยุวออย่างนี้อย่างนั้นไปอ้างยังไงพระพุทธเจ้าจึางได้ทรงตรัสไว้ว่านะนัตติโลเกอนินทิโตแปลว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอันนี้เป็นธรรมของเก่ามีมาแต่ดึกตำบัรน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 ธรรมดาเมื่อเขาพอใจเขาก็สนเสริญให้เมื่อเขาไม่พอใจเขาก็นินทาว่าร้ายให้ไอธรรมดาคนมีกิเลสเน่ยมันเป็นอย่างนั้นคนผู้ใดทละกิเลสประเภทนี้แล้วมันก็ต้องไม่ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นอแม้จะสนเสริญคนอื่นนี่ก็ต้องเลือกถ้าไม่จริงจังก็ไม่สนเสริญ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 แล้วจะไม่ตำหนิคนง่ายๆถ้าคนนั้นไม่ทำผิดจริงๆก็ไม่ตำหนีในฐานะพระองค์เป็นพระศ า, าสดาเป็นครูเป็นผู้สั่งสอนมนุษย์อเทวดาทั้งหลายพระองค์ต้องรอบคอบก่อนจะทำหนี้ตีเตียนใครอย่างนี้นะเขาต้องมีความผิดจริงๆอันนี้เราเป็นสาวกหรือเป็นบริษัทของพระเจ้า แล้วก็ต้องดําเนินตามรอยบาทของกษัตาิดานั้นเลยขอให้เข้าใจอย่าพึ่งทําใจให้วู่วามเห็นใครเขาทำไม่ดีนิดหน่อยก็ไปยกโทษติเตียนไปว่าไม่ดีเชลเลยทุกอย่างไปเลยอย่างนี้นะเห็นเขาทำดีอะไรนิดนินหน่อยก็ไปยก ย, รรย่องสนรเสริญเอาซะอย่างหรูหราหมนี่เรียกว่า คนใจวู่วามไม่มีไม่มีวิจารณญาณไม่มีกันกรองนั่นเองทีนี้คนเราทำอะไรความดีอะไรนิดหน่อยหนึ่งก็อย่าไปอยากให้คนอื่นสรรเสริญเยินโยมันไม่ถูกต้องนั่นองแล้วการทำชั่วอะไรลงไปแล้ว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 ข่าวาเป็นความผิดที่ไมุ่รุนแรงอะไรก็อภัยไปเลยไม่ไมีเพียงแต่ว่าตักเตือนให้สำรวมระวังต่อไปนี่มันก็ไปอย่างนั้นันระเบียบของการบริหารสำหรับผู้ที่อยู่ใต้ปกครองของเพื่อนนะอย่าไปลิสอนคนโน้นคนนี้อย่าไปลิําหนิติเตียนคนโน้นคนนี้ ขึ้นหน้าเขาเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เราสอนเขาไม่ยอมให้เราปกครองเพราะมันมันมีฐานะเท่าเทียมกันหรือยิ่งกว่ากันนิดหน่อยอย่างนี้นะเราต้องรู้ว่าเรากับเขาเป็นยังไงเราสูงกว่าเขามากเท่าไร่หรือว่าเราต่ํากว่าเขายังไงนี่มันต้องพิจารณากัน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 คูเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนคนอื่นเนี่ยมันต้องทำตัวให้เขาเคารพนับถือสะกร่อนให้เข้าใจต้องปรับปรุงตนเองให้ดีอย่าไปทำใจให้เหลอะเละเล้วไหลต้องฝึกใจของทนให้ใจเป็นใจหนักแน่นจเจริญสมาธิภาวนาให้เป็นไป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 ก็เช่นนั้นแะจึงเหมาะสมที่จะไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าใจเราอยู่ด้วยกันนี่ถ้าฐานะเท่าเหมือนๆกันหรือว่ายิ่งจอง ก, กันนิดหน่อยอย่างนี้นี่เราต้องพูดปลอบเอาเมื่อเห็นว่าใครทำไม่ดีไม่งามเข้าไปเราก็พูดปลอบเอาชักชวนให้เขา ละสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นโดยปริยายโดยทางละมุญละไ ม, ไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้อำนาจว่าเอาตำหนิตีเตียนเอาอย่างรุนแรงไปเลยเหมือนอย่างครูว่าอาจารย์ที่ท่านมีอำนาจเหนือหมู่คณะหรือคนหมู่มากเคารพนับถือยอมรับนับถื อ, ย อ, ถอยอมให้สอนยอมให้ว่า ไอ้อย่างนี้นี่มันเราจะเราจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะต้องให้เข้าใจเราฉลาดผู้ฉลาดแล้วก็ย่อมสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ละชั่วทําดีได้เรียว่าเราพูดไปตามฐานะของเราเรามีฐานะอย่างไรเราก็ใช้อุบายเล่ยเดียมอันนั้นเนี่ยจูงใจคนผู้ทําไม่ดีนะให้ รู้สึกสำนึกตัวได้โดยลราุนลรม่อมมันต้องไปอย่างนั้นการอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันต้องต่างคนต้องมีความฉลาดเฉลียวถ้าหากว่าเห็นใครทำผิดทำไม่ดีเราไม่กล้าที่จะสอนจะพูดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปพูดให้ผู้บังคับบัญชานั้นฟังเพื่อท่านจะได้พิจารณาตักเตือนผู้นั้นต่อไป ผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่าใครไปพูดอะไรให้ฟังว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็จะเชื่อไปเลยอย่างนี้ไม่ไม่นะผู้ปกครองมันต้องรอบคอบกว่านั้นไม่ต้องหูเบาอ่ะใครมาสับสอบคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราจะต้องสอดส่องมองดูสัก่อน สืเท้าเราเรื่องดูสักคนว่าไม่ดีจริงเหรืออย่างนี้แหละถ้าเห็นว่าไม่ดีจริงอย่างนี้ก็จึงค่อยว่าเก่ากันไปตักเตือนกันไปถ้าพอว่าเก่าซึ่งหน้าก็ว่าเก่าซึ่งหน้าไปเลยแต่ถ้าหากว่าความผิดนั้นมันไม่ปรากฏชัดเจนเท่าไรเราก็ตักเตือนกันไปโดยส่วนรวม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 ใช้พระคุณด้วยมีทั้งปลอบนี่นะปลอบโยนแล้วก็คมคูโดยอ้างเอาหลักทำหลักวินัยหรือหลักกฎหมายมาเป็นข้อสำหรับคมคูให้พวกนั้นกลัวต่อบาโทษต่อบาปต่ออจญาของบ้านเมืองอย่างนี้นะนี่มันต้อง ให้ใช้ดุลยพินิษฐ์อย่างนี้การที่เราอยู่ด้วยกันแม้เจอในครอบครัวตัวเรือนผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเนี่ยในเมื่อครอบครัวใหญ่ๆอย่างนี้ไอ้ผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนนะก็ต้องรอบครอบจะเป็นคนทําใจน้อยไม่ได้เป็นคนวู้วามเอาแต่ความโมโหโทโสเข้าว่า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 นั่นเนี่ยญาติพี่น้องคนดีเขาก็มาเกิดเพียงร่วมโมงร่วมตะคูลกันเท่านั้นเลยแต่แล้วกรรมดีกรรมชั่วของใครของมันที่ทำมาหามาตกแต่งให้อย่างนั้นเราต้องพิจารณาดูต้นเหตุของชีวิตนี่มันรู้วะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปไว้วางใจว่าลูกของเราหลานของเรา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 ยักคำประกอบไปด้วยเมตตานั่นหมายความว่าเราแสดงกิริยากายไม่อยากคายต่อทั้งคนดีทั้งคนชั่วอะไรก็ทําเนยเราแสดงกิริยากายนั้นเป็นปกติไปแม้การกิริยาวาจาคําพูดคําจาก็เหมือนกันก็แสดงวาจากร่า ว, วาจานั้นอ่อนหวานอ่อนโยนไปแม้คนที่ อยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะดุร้ายยังไงมันจะแสดงความโหมดร้ายอะไรออกมาเราก็ทำดีพูดดีต่อไปอย่างนี้เมื่อเมื่อนานเขาเขาเห็นอำนาจเห็นความดีของเราเขาก็ดีกับเราเขาก็เคารพนับถือถ้าเป็นลูกเป็นเต้าก็ดีลูกเต้าผู้ใดมีนิสัยไม่ดีใมันเป็นคนโทสะจริตอย่างนี้นะ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องพยายามพูดปลอบจิตปลอบใจพูดอ่อนโยนเอาต่อลูกคู่นั้ น, เ, นเมื่อเห็นพ่อแม่ทําดีพูดดีต่อหรือว่าาติพี่น้องพูดดีทําดีต่ออย่างนี้ใจมันก็อ่อนลงมาหนีไม่แสดงความดุร้ายอย่างนั้น <c oughs> เหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่หรือพี่น้อง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 ลูกเกิดในท้องในไส้ของตัวเองมันก็ยังไม่ยอมอะถ้าหากว่าปฏิบัติต่อเขาโดยความไม่เป็นธรรมนะไม่ยอมจริงๆ่งมนะันเป็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อเขาโดยความเป็นธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะออลูกหลานญาติมิตรอะไรเขาก็เคารพรับถือบูชาทีเดียวแหละ ย, ยิ่งคนเท่าคนแก่อย่างที่ลูกหลานเขาก็เทิดทูนไว เหนือเขียนทีเดียวแหละถ้าเป็นคนเท่าคนแก่ตั้งอยู่ในสินในธรรมเป็นคนใจดีมีความอดทนต่อคำสรรเสริญนินทาวา่าไายต่างๆหมู่นี้นะนี่แหละเมื่อเราเป็นคนเท่าคนแก่มันต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แม่คนหนุ่มก็เหมือนกันนะห้ธรรมะนี่ไปอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้ว จะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ปานกลางอะไรมือนก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละกลายเป็นคนดีไปเลยเป็นผู้รลักเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้นี่เป็นอย่างนี้ไอเรื่องคุณธรรมนี่นะดังนั้นแหละจึงสมควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจเราเป็นชาวพุทธเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วอย่างนี้ทาไหมน่ะ จึงไปทอดธุระเสียไม่น้อมเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสอนจิตใจตัวเอง เ, อเช่นอย่างว่าน้อมเข้าไปว่านี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานะ่ะเจริญเมตตาปาณาชนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้านะพระองค์ไม่ได้สอนให้ว่าใ ห, นนให้รักคนนั้นคนนั้นดีคนให้รักคนนั้นคนใดช่วยเกลียดชังมัน อย่างนี้พระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยพระองค์สอนให้ทำจิตให้กว้างขวางเพื่อแพร่ปรารถนาให้เป็นสุขทั้งคนดีทั้งคนชั่วนั่นแหละนี่นะตั้งกิดไว้อย่างนี้เมื่อเราปรารถนาให้เป็นสุขทั้งคนดีคนชั่วอย่างนี้เอาลองลองสังเกตดูผู้ใดเจริญเมตตาอย่างนี้แล้วนะแม้คนชั่วนั้นก็พร้อยมาทับถือซ้ามา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 ต่อคำด่าว่าเสียดสีอดกั้นทนทานต่อการงานที่คำพ้นทนแดดก็ไม่ย่อท้ออย่างนี้นะอดทนต่อกรรมวิบากนในเมื่อคำเวรที่ทนได้ลุ่มหลงทรมาต่ก่อนมันติดตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์ทนทรมานจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หาย โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้ก็อดเอาทนเอาบางลายไม่อดไม่ทนเนี่ยฆ่าตัวตายนึกว่าฆ่าตัวตายไปแล้วจะพ้นทุกเหล่านี้แท้ที่จริงนะ่ไม่ได้พ้นหรอกฆ่าตัวตายกรรมเว้นมันยิ่งหนักเข้าไปอีกเกิดไปชาติได้กรรมนั้นได้ช่องได้โอกาสมันก็บรรดานให้ฆ่าตัวตายอีกตำราท่านกล่าวไว้ว่าถึงห้าร้อยชาติน มันถึงคนหมดอายุของเวรที่ฆ่าตัวตายอ่ะอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะผู้ที่บําเพ็ญขันติธรรมนะอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีผู้เอือนอย่างนี้นะก็เป็นที่รักของมนุษย์อเทวดาทั้งหลายพระพุทธเจ้าสรรเสริญขันติธรรมอย่างนี้นะกลมกันข้ามแล้ววันนี้ถ้าผู้ใด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 นี่มันเป็นอย่างนี้นะให้คิดดูให้ดีดังนั้นไอ้พระคำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเมื่อเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วนะมันน่าปฏิบัติตามจริงๆนะเมื่อผูใ้ใดปฏิบัติตามจริงๆต้องต้องปฏิบัติตามแล้วก็ให้มันต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปนะไม่ใช่ว่าอดทนนิดหน่อยๆแล้วก็จะให้มันได้ผลทัน อ, อกทันใจไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เราต้องปฏิบัติไปต้องอดต้องทนไปต้องเจริญเมตตาให้มั่งมาเข้าไปเลยไปอย่างนี้นะเมื่อคุณธรรมเหล่านี้มันแก่กล้าขึ้นแล้วอย่างนี้มันนกอำนวยผลในภายหลังมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาแล้ววันนี้นะผลแห่งคุณธรรมที่เราบำเพ็ญมานะ่มันให้ผลอย่างนี้อย่างนี้มันรู้เองนะวันนี้ อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยอย่าพากันประมาทอย่าไปเอาตั้งแต่อย่าไปถืออัตราที่ไตยถือตนเป็นใหญ่โดยส่วนเดียวไม่ฟังความคิดความเห็นของผู้อื่นเสียเลยอย่างนี้เนะี่ยผู้เช่นนั้นเนะ่ยมันจะเดือดร้อนในภายหลังขาดมิตรขาดญาติขาดเพื่อนขาดฟุ้งไปแล้ว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 ไม่ถือเหตุถือผลเอาแต่ความเห็นความชอบใจของตนเป็นประมาณนั้นไม่ดีแน่ๆขอให้เข้าใจนี่แหละการภาวนาเมื่อเราทำใจสงบระ ง, งับลงไปแล้วมันถ้าเกิดปัญญามันถักรู้อะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอะไรควรอะไรไม่ควรมันรู้มันเห็นขึ้นมาแล้วผู้ผู้นั้นก็ จะดำเนินชีวิตไปตามทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั้นแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า